สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรื่องของการเดินป่าผมนายทหารคุณชอบเล่าขอนำประสบการณ์ของท่านผู้แชร์ท่านหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเข้าป่านั่งห้างครั้งหนึ่งกับตาปัญญาพรานรุ่นเก่าซึ่งเป็นการนั่งห้างสองสัตว์กลางคืนครั้งแรกของผู้แชร์เรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังกันดูนะครับเขาเล่าว่าครั้งนั้นแม้ว่าผมจะมีอุปกรณ์ที่จาเป็นในการนั่งห้างติดตัวไปด้วยแล้ว แต่สิ่งจําเป็นอีกอย่างก็คือสเสบียงอาหารมื้อค่ําที่ไม่ได้นําเข้าไปด้วยเพราะตาปัญญาคิดวางแผนไว้สองทางอย่างแรกถ้าเราเข้าไปได้เจอสัตว์ใหญ่อย่างพวกเก้งกวางหรือวัวแดงพวกนี้ก็ยิงได้เลยแต่ถ้าไม่เจอสัตว์อะไรก็ให้ขัดห้างเอาไว้ให้เสร็จจากนั้นก็กลับไปกินข้าวกินน้ําแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปใหม่แต่ตามธรรมเนียมการนั่งห้างกลางคืนนั้นจะต้องนั่งอยู่จนรุ่งเช้าถึงจะลงจากห้างได้ เพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกนานมากเราก็ไม่จําเป็นจะ ต, ต้องทนหิวถึงขั้นนั้นจึงชวนการรีบกลับออกไปยังเขตชุมชนของชาวเหมืองอีกรอบหนึ่งเพื่อจัดหาเรื่องอาหารการกินกันให้เรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าไปใหม่อีกครั้งก็เดินทางลุบริเวณชายทุ่งเข้าไปถึงที่ขัดห้างก็มืดพอดีช่วงหัวค่านั้นป่า ร, บรอบๆด้านก็มีแต่เสียงจั ก, กรจันร์เดรยร้องดังระ ง, งมทั่วทิศทางแถวตรงลำทารที่ลึกเข้าไปในทางทิศใต้ที่เราไปหยุดพักกินข้าวห่มมื้อกลางวันนั้นอะ ก็มีเสียงกบเสียงกงร้องเซงแซ่แข่งกันให้ได้ยินมาแววแววก็มีครั้งหนึ่งผมก็แอบได้ยินเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งต่อสู้กันแต่ปัญญาที่นั่งอยู่บนห้างด้วยกันแกก็หันมาบอกว่าเสือปลาเนี่ยมันแย่งเหยื่อกินกันไม่ต้องตกใจขณะนั้นเป็นเวลาพบคร่าลงแล้วแต่บรรยากาศรอบด้านนั้นก็ยังไม่มืดสนิทสักทีเดียวนักแต่ปัญญาก็นั่งรูดใบกระท่อมคิ้วหยับหยับยับอยู่ในปากชวนผมพูดคุยเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆโน่นนี่นั่นและแกก็บอกว่า ถ้าหากว่าผมง่วงอ่ะก็นอนได้เลยนะแต่ตอนพระจันทร์โผล่พ้นยอดเขาขึ้นมาแล้วอ่ะจะต้องตื่นนะเพราะพวกสัตว์น่ยมันจะออกมาหากินกันเวลาประมาณนั้นหัวค่ําอย่างเนี้ยอย่างมากก็แค่หมูป่าหรือไม่ก็กระจงเที่ยวหากินลูกซ้านไฟลวกลนอยู่ตามใต้โคนต้นไม้เนี่ยแหละส่วนพวกกินหญ้ากินปงูงก็ต้องรอน้ําค้างใหญ่มันตกซะก่อนค่อนดึกนู่นแหละถึงจะโผล่ออกมากันได้แต่ทว่าด้วยความตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่เคยของผมก็คือ การนั่งห้างยิงสัตว์ตอนกลางคืนอย่างนี้มันทําให้ผมหลับตาไม่ลงเลยแม้ว่าจะล้มตัวลงนอนแล้วแต่ก็ลืมตาพรุงอยู่ไม่อาจจะหลับตาลงได้มันรู้สึกตื่นเต้นจึงลุกขึ้นมานั่งทอดสายตากวาดมองไปรอบๆด้วยความมืดก็เห็นเงาใบไม้แต่คุ่มแต่คุ่มทำกลางแสงดาวที่เป็นงลีบยัยับอยู่บนฟ้าสูงตรงขอบฟ้าเบื้องหน้ามองเห็นทิวสูงต่ําสลับซับซ้อนอยู่เป็นรางๆแทบจะําพันเป็นบทกวีได้เลยนีเนี่ย เวลานั้นก็คลืบนลานเข้าสู่ยามดึกทุกขณนะยิ่งนานก็ยิ่งหนาวขอบฟ้าทางด้านที่ตะวันออกซึ่งอยู่ด้านหลังพุ่มพฤกที่เราขัดห้างก็กําลังฉาบฉายแสงจันทร์ทิวทุ่งเบื้องหน้าผมเริ่มสว่างขึ้นมาอย่างเรื่อเรื่ตาปัญญานอนหลับกลอนครอ ก, รอกยังไม่สนใจใจดีว่าผมจะหลับหรือตื่นเพราะก่อนหน้านั้นแกก็ได้สั่งเสียแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับผมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมอบหน้าที่ให้ผมเป็นพลานปืนเพราะแกรู้กิติศัพท์ความแม่นปืนของผมเป็นอย่างดี แกก็คงไว้วางใจว่าผมคงจะไม่ผีแผามยิงสัตว์อะไรส่งเดชไปแน่นอนเรื่องการนั่งห้างยิงสัตว์ปู่ก็เคยเล่าให้ผมฟังว่าเคยมีคนนโดนเสือกัดตายเพราะลงจากห้างในยามค่ําคืนในขณะที่สัตว์กินพืชออกหาอาหารบนยอดไม้ยอดหญ้านั้นสัตว์กินเนื้ออย่างพวกมันถ้าถึงเวลาหิวกระเจาะหาล่าเหยื่อเป็นอาหารเช่นกันพวกสัตว์กินเนื้ออย่างเสือมีความฉลาดอดทนสูง ก็เหมือนเราที่ขัดห้างอยู่บนต้นไม้ซุ่มรอสัตว์ออกกินหญ้าที่ระบัดเขียวอยู่ในทุ่งเบื้องหน้าด้วยความอดทนนั้นพวกเสือก็เช่นกันพวกมันทั้งอดทนและเฝ้ารอได้อย่างไม่เบื่อหน่ายเราขัดห้างอยู่ทางทิศลมก็เพื่อไม่ให้พวกสัตว์มันรับรู้ถึงกลิ่นกายของพวกเราได้พวกเสือนั้นก็หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ทิศทางลมเช่นเดียวกับเราดังนั้นตราบใดที่มันยังหิวแม้จะได้กลิ่นสาบสารของพวกเราบ้างในบางครั้งมันก็ไม่ได้ล่าถอยออกไปง่ายๆคือเราผีผามลงจากห้างไป ก็อาจตกเป็นเหยื่อของมันได้เมื่อพระจันทร์เว้าแหว่งผูย้มขุนเขาเบื้องทิศตะวันออกทั่วทิวทุ่งสวรางไสวมองทิวทัศน์เบื้องหน้าถนัดมากขึ้นเหมือนมีกระบอกไฟฉายขนาดมหึมาคอยส่องแสงให้เราอยู่ด้านหลังเสียงตาปัญญาไอ้คลุกๆุกในคอแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งถามผมว่าไม่ได้หลับเลยส ง, งี่ยบเหรอผมก็ตอบไปว่าไม่หรอกแกก็หัวเราะแล้วก็ล้วงใบกระท่อมในถุงออกมารูดก้านทิ้งอีก เอาสูนที่ใบอ่อนนุ่มเท่าที่จะนุ่มได้ทรงเข้าปากคิ้วหยับหยแล้วก็ปิดปากเงียบไม่พูดอะไรออกมาอีกเงาไม้ที่ตัดขัดห้างทอดลมมาคลุมบริเวณพื้นห้างที่ผมกับตาปัญญานั่งอยู่ทําให้บรรยากาศตอนนั้นมครึ้มเป็นบางไพรให้อย่างดีป่าขณะเวลานั้นเงียบสนิทและตอนนั้นก็แววได้ยินเสียงของเจ้าป่าคำรามแต่ไกลมาจากบนภูเขาแววมาครั้งหนึง่งเอ็งได้ยิงแน่คืนนี้ ตาปัญยาพูดเสียงเบาพอให้ได้ยินกัน2คนตารู้ได้ไงผมถามเจ้าป่าไม่ลงมาเพ่นผ่านข้างล่างหรอกแก้ก็บอกผมผมก็ว่าเฮ้ยตัวอื่นก็มีนะแล้วเก้ก็บอกถ้ามีแถวนี้มันก็ต้องร้องตอบออกไปแล้วมันจะสแสดงตนเป็นเจ้าของพื้นที่ของมันทันทีเวลาร้องหาคู่ก็เป็นอีกเสียงเวลาร้องข่มขวัญตัวอื่นก็เป็นอีกเสียงและที่มันร้องเนี่ยมันจะไม่กลัวว่าสัตว์อื่นที่จะได้ยินเนี่ยจะพากนันหนีไปหมดเหรอผมก็สงสัยไม่ได้ก็ถามอีก ตาแกก็บอกว่าถ้าสัตว์อื่นฉลาดอย่างนั้นป่านนี้พวกเสือคองผอมตายไปหมดแล้วแหละ <c oughs> คิดดูสิผมได้ยินตาบัญญาพูดอย่างนั้น <c oughs> ก็หวนนึกถึงเรื่องขําในสมัยเด็กๆของผมตอนนั้นผมก็เห็นตัวกระจงกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงเมื่ได้ยินเสียงที่พ่อใช้กิ่งไม้ขนาดนิ้วชี้ทาเป็นไม้เหมือนตีกลองตีลงบนใบไม้ที่สุมอยู่ในหลุมขนาดเล็กที่พ่อบรรจงขุดด้วยจน ง, งอยของมีดพระแล้วก็หาใบไม้แห้งมาใส่ลงไปในหลุมนั้นให้มันเต็มขอดี และพ่อก็ใช้ใบไม้นั้นตีไปเหมือนบรรจังหวะของกลองในขณะที่ปืนแก๊ปกง้างนกพิิงกับโคนต้นไม้ไว้ใกล้ๆเตรียมไว้แล้วกระจงที่หากินอยู่บริเวณข้างเคียงเมื่อด้ยินเสียงนั้นก็ต่างพากันกระโดดโลดเต้นออกมาอย่าม่กลัวอันตรายผมนั่งยองๆ อ, อยู่ด้านหลังของพ่อซึ่งมีกิ่งไม้เป็นบางภัยที่พ่อหักมาปักกั้นไว้ให้เพื่อพรางสายตาของพวกมันคอยเบึงตาจ้องไปด้านหน้าสักประเดี๋ยวเดีย ว, ยวก็ได้ยิงเสียงแกรกกรากขึ้นมาก่อนจากนั้น ชั่วอืใจเดียวก็เห็นกระจงตัวหนึ่งมันโผล่มาจากพุ่มไม้ต่ำเตี้ยเบื้องหน้าแล้วออกมากระโดดโลดเต้นอย่างคึก ข, ขนองกระโดดถอยหน้าถอยหลังตามจังหวะเสียงที่ตีใบไม้ของพ่อดังปุกปุกปุกบางครั้งก็ปุกปุกปุกปุกแน่มีจังหวซะซ้วยกระจงตัวนั้นก็เต้นตามจังหวะอย่างตัวสันจากนั้นสักครู่ก็มีโผล่มาอีกตัวแล้วก็มาเต้นในลักษณะเดียวกันตัวที่มาก่อนก็จะหยุดชะงักหันไปมองตัวที่กระโดดเข้ามาใหม่ และจากนั้นก็พร้อมใจกันกระโดดโลดเต้นไปอย่างเดิมช่วระยะเวลาประเดียวเดียวพวกมันก็โผล่ออกมาเพื่อจะให้พ่อผมยิงถึง 3-4 ตัวแต่เชรอยวันนั้นชะตาของพวกมันคงยังไม่ถึงคาดเพราะพ่อผมได้พาผมติดไปด้วยก็คงจะให้ศึกษาวิชาหากินตามแบบฉบับของพ่อนั่นแหละแต่แทนที่ผมจะได้เรียนรู้วิธีให้มันมากไปกว่านั้นผมนั่นเองที่เป็นผู้ทําให้เสียโอกาสการยิงกระโจงของพ่อไปขณะที่พ่อยังเพลินอยู่กับการตีใบไม้ให้พวกกระจงเต้นระบ้ากันอย่างเรืองร่านั้น เพื่อจะให้ผมได้ดูนานๆหรืออย่างไรไม่ทราบได้กระจงตัวที่5้าก็โผล่มารวมสมทบไอกระจงตัวนี้แหละเป็นกระจงพันุใหญ่เรียกชนิดสายพันธุ์ของมันว่ากระจงแม่พระตัวมันใหญ่โตเกือบเท่าสุนัขแรกรุ่นแต่ตัวมันกับเต้นระบำหน้าตลกสิ้นดีมันกระโจนขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆถอยหน้าถอยหลังบางครั้งก็ล้มลงนอนเกลือกกิ้งแล้วก็ลุกขึ้นมาหกเขมรตีลังกาประมาณว่าเต้นแบบเท้าไฟเลยแหละจนผมนงงับใจไม่อยู่ดันหัวเราะออกไปเสียงดังลั่น เท่านั้นแหละผง ม, มันทั้งหมดที่กำลังกระโดดโลดเต้นเหมือนเถกปิดก็พากันกระโจนหนีผุดหายไปหมดในทิพตาผมตกใจกลัวพ่อจะโกรธแต่พ่อก็ไม่โกรธแล้วก็หันมายิ้มอย่างเลือดเย็นว่าทีหลังไม่เอามาด้วยแล้วไม่ได้ยินตาปัญญาพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมก็นึกเห็นภาพขึ้นมาก็เลยนึกขำธรรมชาตินั้นสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาด้วยความสมดุลเสมอมันอนุเคราะห์เกื้อกูลกันโดยธรรมชาติแม้จะด้วยชีวิตและเลือดเนื้อก็ตาม จากสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นเป็นวัตถาจักติดต่อกันไม่รู้จักจบสิ้นตาปัญญานั่งพูดคุยอยู่กับผมเบาๆสักครู่แกก็เปิดปากหาวแล้วก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งจะหลับหรือไม่หลับไม่รู้แต่แกนอนปิดปากเงียบเลยปล่อยให้ผมนั่งถือปืนแก๊ปกระบอกนั้นจ้องมองไปยังทุ่งกว้างคิดโน่นคิดนี่เรื่อยเปื่อยไปตามลําพังนั่งไปสักพักพร้อมกับหูสองข้างสดับสำเนียงป่าดงพงพายายามราตรีขณ ะ, ะรู้สึกเพลินๆอยู่นั้น นานๆครั้งก็จะได้ยินเสียงของนกแสกบินมาเกาะยอดไม้ใกล้ๆร้องแควกแควกด้วยซุ้มเสียงอันดังทําให้ต้องสะดุ้งตกใจแต่เมื่อมันมาบ่อยๆผมก็จะเริ่มชินหรือเมื่อพระจันทร์คืนแดมลอยพ้นยอดเขาขึ้นมาในยามดึกสราพสําเนียงภายในป่าเริ่มปรากฏความแตกต่างจากเมื่อตอนหัวค่ําขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงกวางปีบร้องดังได้เข้ามาเขย่าหัวใจให้ตื่นเต้นเสียงของช้างหักกิ่งไม้ไผ่ผงผางดังอยู่ใกล้ๆดงไผ่ร่วง ริมลำธารด้านซ้ายมือในทุ่งหญ้าไฟลวกหน้าห้างของเรานั้นคงไม่เป็นที่ปรารถนาของพวกมันแน่เพราะไม่มีอาหารลงเหลือให้กินได้เลยลูกส้านโดนไฟคลอกร่วงหล่นลงมาเน่าเต็มใต้โคนพวกมันก็คงไม่กินหรอกและเมื่อคิดว่าพวกมันไม่ยุ่มย่ามเข้ามาแล้วก็ทําให้รู้สึกเบาใจไปเปาะหนึ่งเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่ายและเมื่อเกิดตกใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มันมักจะผ่านเกเรอาจจะเห็นห้างของเราขวางหูขวางตาแล้วก็อาจจะพุ่งเข้ามาดื้อซะเลย คิดและน่ากลัวเมื่อได้ยินเสียงร้องอยู่ใกล้ๆตาปัญญาก็ขยับตัวไม้ไผ่ที่ปูพื้นห้างไหวยวบแต่ก็ไม่มีเสียงเบียดลั่นกันออกมาแสดงว่าแกไม่ได้หลับเพราะแกจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังการนั่งห้างยิงสัตว์สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือกลิ่นและเสียงแต่เวลาสัตว์ออกหากินตาปัญญาจะงดสูบบุหรี่ทันทีจะขยับตัวลุกนั่งแบบค่อยๆจะไม่ปล่อยให้เกิดเสียงพื้นฝารงมาเบียดกันให้มันเสียงดังลั่นแน่ๆ เสียงถงช้างหักยอดไม้ไผ่และกิ่งไม้ทางซีกซ้ายเดิ่มห้วยยังคงดังอยู่เช่นเดิมและขณะที่รอบทิศทางภายในป่าพงพฤกษยามนี้เสียงสัตว์ปรสัตเรืองร้องอยู่ไม่ขาดจนเมื่อเกิดเสียงของเจ้าป่าขึ้มโโกขึ้นมาครั้งหนึ่งเสียงสัตว์ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันนั้นจึงค่อยๆเงียบลงไปแต่สักครู่มันก็จะเริ่มร้องขึ้นมาเช่นเดิมบนห้างไม้ไผ่ที่สูงเหนือพื้นขึ้ น, นมาสีวากว่ า, วาผมนั่งถือปืนแก๊ปที่ผ่านการตรวจตาทั้งกระสุนดินดำและแก๊ปชนวนอย่างดีมาแล้ว รอแต่เมื่อไหร่จะมีพวกสัตว์ที่เราต้องการให้เป็นเหยื่อของกระสุนเดินผ่านเข้ามาในรัศมีที่ปืนของเราจะเอามันอยู่เท่านั้นซึ่งภายในรัศมีไม่เกิน20วา์หรือ1เส้นนี้กระสุนที่เป็นลูกโดดพร้อมกับดินปืนขนาด4ี่ปลายนิ้วสามารถที่จะล้มได้แม้ ก, กระทั่งวัวกระทิงถ้าหากยิงให้โดนจุดสําคัญคือรักแร้แดงหรือหน้าโพลสีขาวของมันถ้าเป็นส่วนอื่นๆก็คงต้องตามซ้ำในวันรุ่งขึ้นแต่ผมคิดไว้ไน้ใจแล้วว่าจะไม่เร่งร้อนถ้าจะลั่นกระสุน ก็ต้องปล่อยออกมาทีเดียวให้อยู่หมัดต้องให้ล้มกิ้งอยู่กับที่ถ้าไม่ถึงตายทันทีก็ต้องลุกหนีไปไหนไม่ได้เพื่อจะได้อัดกระสุนใหม่ซ้ําได้ทันการกับการที่เคยเข้าป่าล่าสัตว์ครั้งก่อนๆผมเคยออกป่า ก, กับพ่อที่บ้านไร่มาบ้างแล้วเห็นพ่อล้มกวางกิ้งโคโลมา ก, กับ2ในตาของตนเองถึง 2- องสครั้งแต่พ่อไม่เคยส่งปืนให้ผมยิงเลยแม้สักครั้งเดียวหากแต่พ่อจะไปธุระหรือไปไร่ผมก็มักจะแอบเอาปืนของพ่อออกมาเที่ยวป่าใ ก, กล้ๆบ้านตามลําพัง ปืนแก๊ปของพ่อมีขนาดได้เลี่ยงกับปืนกระบอกนี้ที่ผมถืออยู่เพียงแต่ลำกล้องจะยาวสักนิดความดีของปืนกระบอกนั้นของพ่อก็คือเป็นปืนที่ปลูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างได้สัดส่วนไม่คว่ำไม่เอียงจึงไม่มีแรงฉีบนิสบัตตบกแก้มแม้จะประจุ ก, กระสุนดินดำลงไปสัก5้านิ้วเมื่อถึงเวลาลัานา่นไกก็จะไม่ระคายบ่าแม้แต่น้อยส่วนปืนกระบอกนี้ผมเคยยิงมา2อถึงสาครั้งแม้ลำกล้องจะเที่ยงตรงวิถีกระสุนไม่พลาดเป้าไปจากศูนย์หน้าเล็งตรงไหนก็ตรงเป้าแม่นยำ แต่ปืนก็ส่งแรงสะท้อนกลับหลังหรือเรียกกันว่าปืนถีบรุนแรงพอสมควรแต่ถึงยังไงการนั่งห้างคืนนี้ผมก็ประจุดินปืนลงไปอย่างเต็มที่เพราะเอาแน่ไม่ได้ว่าจะมีสัตว์อะไรโผล่มาให้ยิงบ้างจึงต้องยัดดินแรงไว้ก่อนเสียงของสรรสัตว์รวมทั้งมแมลงกลาคืนนั้นยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้บ้างไกลบ้างขายับหัวใจให้ตื่นเต้นไม่รู้หายไปเดี๋ยวก็ดังมาทางด้านขวาไปเดี๋ยวก็ดังมาทางด้านซ้ายไปเดี๋ยวก็มาดังอยู่ใต้ถุนห้าง แต่เมื่อมองลงไปก็ไม่เห็นมีสัตว์อะไรแรกๆผมก็ไม่ได้คิดไปทางอากุศหลหรอกบอกตอนเองว่าอาจจะหูฝาดตาฝาดก็ได้ประเภทหูได้ยินเสียงแต่สายตากลับมองไม่เห็นภาพหากหลายๆครั้งเข้าก็ชักใจคอไม่ดีเหมือนกันก็เสียงที่ได้ยินมันเดินสวบๆอยู่ใต้ห้างแท้ๆแต่ทําไมมันถึงมองไม่เห็นตัวหันไปทางตาปัญญาก็ดูเหมือนแกนจะนอนตัวแข็งเหมือนสิ้นลมหายใจไปแล้วและกระทั่งวินาทีที่สําคัญก็เกิดขึ้น มีเสียงย่ำเท้าดังสวบสวบปรากฏอยู่ข้างล่างใต้ห้างบวกกับเสียงหัวเราะในลําคอเบาๆ <S <S <ý ff le> มันเป็นสิ่งหัวเราะของใครก็ไม่อาจทราบได้ทางด้านขวามือที่ผมนั่งถือปือนคอยจ้องออกไปในทุ่งกว้างและเป็นด้านเดียวกับที่ตาปัญญานั่นนอนอยู่ผมชะเง้อมองผ่านตาปัญญาลงไปเบื้องล่างตรงที่ปรากฏเสียงนั้นแรกๆก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนเคย ก็รู้สึกโล่งใจทุกอย่างก็กลับมาเงียบอีกแต่สักพักเสียงหเราะในลําคอที่ฟังดูเยือกเย็นวังเวงก็ดังขึ้นอีกรอบตัวผมหันไปมองแต่ปัญญาก็ยังนอนนิ่งไม่ไหวติงเสียงนั้นก็ดังไม่หยุดรู้สึกสับสนวุ่นวายในใจเงื้อ ม, ม็ดโต้ไหลออกมาเต็มหน้าแต่สักช่วอืดใจเดียวที่คอยจ้องอยู่ใต้ห้างนั้นก็ปร<ม>ากฏว่ามีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึน้น เมื่อเพ่งมองดีๆภาพที่เห็นมันคือหมีควายตัวใหญ่เดินสองขาเหมือนคนเวลานั้นช้าไม่ได้แล้วผมตัดสินใจวาดปลายกระบอกปืนจ้องลงไปทันทีโดยที่ปากกระบอกปืนพาดผ่านลำตัวของตาปัญญาพอดีคิดในใจว่าถ้ามันจะปีนป่ายขึ้นต้นไม้ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ผมยิงแน่ๆถึงหนังมันจะหนาก็ห น, า, หนาไปเถอะผมจะไม่ปล่อยให้มันขึ้นมาบนห้างนี้ได้เด็ดขาดเมื่อผมวาดกระบอกปืนลงไปดังนั้นก็เหมือนกับว่ามันจะรู้ตัว มันหยุดเดินและยืนนิ่งค่อยๆเงยหน้าขึมามองผมในตาที่เหมือนกนลังจ้องมองผมนั้นแดงกาผิดสังเกตผมขนลุกสู้เสียงหัวเราะเย็นๆก็ยังอยู่ <c oughs> เคยได้ยินแต่เรื่องเสือสมิงแปลงกลายเป็นคนมาล่อลวงให้พ่านลงจากห้างเพื่อขบกัดกินแต่เรื่องหมีตาลุกแดงราวกับดวงตาปีศาจนี้ยังไม่เคยได้ยินที่ไหนโอมสิทธิสวะหมกายะฉมังเตะสังปิติกะทะร เสียงคาถากระราบผีป่าภัยของปู่ดังขึ้นมาข้างหูผมผมนึกขึ้นได้จึงหลับตาท่องไปสามจบและเมื่อลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏว่าเจ้าหมีปีศาจ ท, ที่ตาแดงเหมือนตัวลูกตำลึงสุกก็หายไปจริงๆคาถาของปู่ผมศักดิ์สิทธิ์จริงๆขณะนั้นก็เป็นเวลาพร้อมกับที่ตัดบัญญาเอามือจับกระบอกปืนของผมยันขึ้นเบื้องสูงและแกก็หันมากระซิบว่าเป็นอะไรไปเห็นอะไรเหรอผมก็ตอบแกไปว่าหมีตัวเบ้อเร่อเลย ตาแดงกำเลยมันจ้องขึ้นมาจากข้างล่างนะ่ะกลัวไหมแกถามผมผมก็บอกว่าไม่กลัวหรอกผมก็มันจะยิงมันอยู่แล้วดีแล้วแกบอกตาปัญญา ก, กระเถิบเข้ามาใกล้ๆผมและอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นเพราะว่าผมเนะ่ตื่นเต้นกับสรบรพเสียงรอบตัวจนเกินไปจึงเกิดอาการประสาทหลอนดีนะที่ผมเป็นคนจิตแข็งไม่ขาดกลัวทาไมอย่างนั้นคงยุ่งแน่ เพราะเผลอผมอาจจะยิงพื้นดินจนฝุ่นฟุ้งกระจายไปแล้วก็ได้พูดจบแกก็ทำหน้าน่ากลัวแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะลุงใบกระท่อมพัดเลือกใบอ่อนๆฉีกก้านทิ้งส่งเข้าปากคิ้วหยับๆของแกตามเดิมและนี่ก็คือประสบการณ์การนั่งห้างของผู้แชร์ท่านหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอมาสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่ตาปัญญาพูดมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรานะครับว่า เขาเห็นจริงหรือว่าตาปัญญาพูดจริงขอบคุณที่กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ